นิทานเรื่องราคาของความสะดวกสบายมีนิทานเล่า ว, ว่าชายหนุ่มผู้หนึ่งมาฝึกบำเพ็ญตะบะกับอาจารย์หลังจากฝึกมาได้หลายปีอาจารย์เห็นว่าศิษย์เนี่ยมีความสามารถแก่กล้าแล้วจึงอนุญาตให้ไปบำเพ็ญพรตแต่ผู้เดียวในอีกแคว้นหนึ่ง หนุ่มผู้นั้นมาปลูกกระท่อมนอกหมู่บ้านแล้ววันหนึ่งก็พบว่าเสื้อของตนซึ่งมีอยู่เพียงตัวเดียวเนี่ยมีรอยหนูกัดพ่อปะชุนแล้ววันต่อมาหนูก็ยังมากัดอีกเป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาคิดหาทางแก้อยู่หลายวันในที่สุดก็ไปหาแมวมาปราบหนู แต่เมื่อได้แมวมาเขาก็ต้องไปหานมมาเลี้ยงแมวด้วยหลังจากไปขอนมวัวจากชาวบ้านอยู่เดือนหนึ่งก็คิดว่าแทนที่จะเดินไปขอนมในหมู่บ้านสู้หาวัวมาเลี้ยงดีกว่าครั้นหาวัวมาเลี้ยงแล้วก็ต้องหายาให้มันด้วยเนื่องจากไม่ต้องการเสียเวลาบำเพ็ญพรต เขาก็เลยไปจ้างลูกสาวชาวบ้านมาเกี่ยวหญ้าให้วัวค่ะผ่านไปหลายเดือนเงินที่ขอทานจากชาวบ้านก็ร่อยหลอไปเกือบหมดก็เลยหาทางออกด้วยการแต่งงานกับสาวเจ้าเสียเลยจะได้ไม่ต้องเสียเงินจ้างเมื่อมีสาวมาอยู่แล้วก็ต้องช่วยกันทำมาหากินในที่สุด ก็เลยเลิกบําเพ็ญพรตกลายมาเป็นพ่อค้าหากินจนร่ำรวยแล้ววันหนึ่งอาจารย์ก็มาเยี่ยมค่ะพอเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกของเราก็ตอบว่านี่เป็นวิธีที่ผม จะรักษาเสื้อของผมนะครับค่ะนิทานเรื่องนี้สอนอะไรคะแน่นอนนิทานเรื่องนี้ไม่ได้สอนว่าอย่าริมีเสื้อหรืออย่ารักษาเสื้อแก่นของเรื่องน่าจะอยู่ตรงที่วิธีการรักษาเสื้อมากกว่า การรักษาเสื้อมีหลายวิธีแต่พระเอกในเรื่องนี้นะคะเขารักษาเสื้อด้วยการหาเครื่องทุ่นแรงหรือวิธีที่ทำให้เหนื่อยน้อยที่สุดเช่นหาแมวมาจัดการกับหนูแทนที่จะทำตู้ใส่เสื้อหรือทำกับดักหนูแต่ปรากฏว่าวิธีดังกล่าว แม้จะแก้ปัญหาหนึ่งได้กลับสร้างปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาแทนและเมื่อแก้โดยวิธีที่คิดว่าสะดวกสบายที่สุดก็มีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกจนในที่สุดชีวิตก็ค่อยๆคลาดเคลื่อนจากจุดหมายเดิมจนผันแปรไปกลายเป็นว่า แทนที่เสื้อจะช่วยรับใช้ชีวิตนักพรตกลับต้องละทิ้งชีวิตนักพรตเพื่อรับใช้เสื้อท่านผู้ฟังขานิทานเรื่องนี้นะคะไม่ได้มุ่งเตือนสติเฉพาะนักบวชเท่านั้นหากยังเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทั่วไปแบบเราเร า, เราท่านๆน ลึกๆแล้วนะคะนิทานสอนว่าข้อที่หนึ่งความสะดวกสบายนั้นไม่ได้มาเปล่าๆ เ, เมื่อได้ความสะดวกสบายในเรื่องใดต้องเกิดความไม่สะดวกสบายในอีกเรื่องหนึ่งพ่วงติดตามมาข้อที่สองความสะดวกสบายมักมาพร้อมกับภาระเสมอ ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่มีอะไรเนี่ยได้มาเปล่าๆแต่พอเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสบายคนจำนวนมากกลับคิดว่าเราเนี่ยมีแต่จะได้อย่างเดียวไม่มีเสียในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเสียเงินเพื่อซื้อมันมาเท่านั้นนะคะเรายังต้องเสียอย่างอื่นอีกด้วยเช่นเสียเวลา เสียความสุขเพราะต้องคอยพะวงถึงมันค่ะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ไงคะประโยชน์ที่เราได้รับก็คือความสะดวกสบายหลายอย่างโดยเฉพาะทุ่นเวลาในการเดินทางแต่ใครที่มีรถยนต์ก็ย่อมรู้ว่ามันนำพาละความไม่สะดวกสบายมาให้เจ้าของหลายอย่าง ต้องดูแลรักษาเช็ดล้างหาที่จอดหาเงินเติมน้ามันค่าอะไหล่ค่าประกันค่าผ่อนส่งนี่เนี่ยล้วนแต่ก่อปัญหาแก่บุคคลเท่านั้นอย่างมากมายแต่ยังสร้างภาวะแก่สังคมและโลกด้วยตัวยอย่างการแก้ปัญหาจราจรไงคะแก้ปัญหาจราจรที่นิยมทำกันก็คือสร้างถนน ขายายผิวถนนแทนการควบคุมปริมาณรถยนต์หรือกดดันให้คนเนี่ยมาใช้บริการขนส่งมวลชนกันให้มากๆสิ่งที่ต้องสูญเสียเพราะการสร้างถนนก็คือข้อ1การหายใจอากาศที่บริสุทธิ์ข้อ2ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถจักรยานหรือด้วยเท้า3ปัญหาการระบายน้ำ คลองถูกถมให้เป็นถนนน้ำท่วมง่ายค่ะข้อ4ศูนย์เสียเสรีภาพในการสัญจรด้วยเรือข้อ5เสียเงินตราต่างประเทศเพราะการนำเข้ารถยนต์นำเข้าน้ำมันเพิ่มปัญหาทางเศรษฐกิจเวลาฝนตกน้ำท่วมถนนจนการจราจรเนี่ยติดขัด เนื่องจากการสร้างถนนอย่างไม่บรญยะบรญยังสุดท้ายค่ะความสะดวกสบายในการเดินทางไปไปมามาก็หดหายไปอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะกล่องโฟมและถุงพลาสติกจริงอยู่มันช่วยให้เราเนี่ยพกพาอาหารและสิ่งของได้สะดวก แสร้างปัญหาในการกําจัดขยะแถมเป็นอันตรายต่อบรรยากาศโลกที่พูดมานี้นะคะไม่ได้หมายความว่าความสะดวกสบายเป็นสิ่งไม่ดีที่เราต้องหลีกเลี่ยงแต่ก่อนที่จะอ้าแขนรับควรไต่ตรองให้ถี่ถ้วนว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องสูญเสียไปเพื่อนแรก เพราะบางอย่างที่เราสูญเสียไปอาจมีค่าหรือมีราคาแพงกว่าความสะดวกสบายที่ได้รับถึงตรงนี้นะคะอยากถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยรับทราบข่าวสารการลนลงภาวะโลกร้อนกันเราได้ทำกันบ้างหรือเปล่า เรารักโลกรักลูกหลานของเราที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปค่ะเราได้หันมาใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ของแทนถุงพลาสติกกันบ้างหรือยังเราได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อจะเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกบ้างหรือเปล่า